อีกสูตรนะปิรินทวัชฉะสูตรอันนี้ก็สูตรของภาชนะอีกนั่นแหละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลุวันกัลันธการนิวาปสถานใกล้พระนครราชครึกก็สมัยนั้นแลพระปิรินทวัชฉะย่อมร้องเรียกเพิกสูทั้งหลายด้วยวาทาวา่าคนถอยคนถอยนวัสละน่ น, นะวัสละวาเทนคนถอยเหมือนกัน ก, ก็เหมือนกับอะไรนะถ้าเป็นคนไทยก็มีนะพูดคําด่าคำเฟรี่นะในแวดวงอะนะพูดคําด่าคําพูดคําด่าคําอะนะคนไทยก็ไม่ใช่น้อยนะที่ ท, ที่พูดลักษณะแบบนี้นะไอโน่นไอนี่ไอทั้งหลายแหล่แล้วก็แต่ก็พูดแบบไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่ว่าขึ้นก็ไอก่อนลนะจบก็ไอ <c oughs> ก็ไอไอหมดเลยนะไอแล้วก็จุดจุดแล้วแต่กลุ่มไหนก็ว่ากันไป ครั้งนั้นแลพิสูุมากด้วยการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วด้วยกราบทูพพพพลพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปิลินทวัตช่ย่อมร้องเรียกพิสูุทั้งหลายด้วยวาทว่าคนถอยลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกพิสูรูปหนึ่งมาว่าดูก่อนภิกษุเธอจงไปเรียบปิลินทวัตชะพิกษุมาตามคําของเราว่าดูก่อนอวุโสปิลินทวัตชะพระาศาสดารับสั่งให้หาท่าน ภิกษุนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เข้าไปหาพระปิรินทวัตชะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระปิรินทวัตชะว่าดูก่อนนะบูโสพระาศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระปิรินทวัตชะรับคําของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระปิรินทวัตชะว่าดูก่อนปิรินทวัตชะ ได้ยินว่าเธอย่อมร้องเรียกพิสูุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยจริงหรือพระอรหันต์ไม่พูดมเสาอยู่แลท่านพระปิรินทวัชชะก็ทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ละลึกชาติดูว่าพระผู้มีพระภาคทรงมนานสิการถึงขันอันมีในการก่อนคือละลึกชาติของพระปิรินทวัชชะแล้วตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่า ย, ย, ายกโทษ วัดชาภิกสุเลยวัดชาภิกสุย่อมไม่มุ่งโทษเรียกพิสุทั้งหลายด้วยวาทะคนถอยที่พูดนี้ไม่ได้พูดด้วยความโกรธนะที่เรียกว่าถอยก็ไม่ได้พูดด้วยความโกรธนะวัดชาพิสุเกิดในสกุลพราหมณ์ห้าร้อยชาติโดยไม่เจือปนเลยวาทะว่าคนถอยนั้นวัดชาภิสุประพฤติมานานพูดติดกันเนี่ยนะคำนี้ไม่รู้ว่าพูดมากี่หมื่นล้านครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้น วัชชาพิสูจน์นี้จึงร้องเรียบพิสูจนทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถ่อยมานะชํานาญในคํานี้มาตั้งห้าร้อยชาติแล้นะพูดทูตติติกันมาห้าร้อยชาติจะให้ละคำํำง่ายๆเด้อถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆละไม่ได้เครียกว่าว่าตรงนี้เรียกว่าวาสนาที่พระอริยะทั่วไปละไม่ได้เว้นแต่พระพุทธเจ้านะนะวาสนาเครียกว่าความประพฤติด้วยอำนาจกิเลส ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามายาความหลอกลวงะนะ mana นะความเย่อหยิ่งย่อมไม่ไม่เป็นไปในผู้ใดผู้ใดมีความโลภสิ้นไปแล้วไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังหมายว่าเลิกหวังแล้วะนะ ละความกโกรธได้แล้วมีใจเย็นแล้วผู้นั้นเชื่อว่าเป็นพรามผู้นั้นเชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นเชื่อว่าเป็นภิกษุอันนี้คุณสมบัติของพรามของภิกษุหรือของสมณะหกประการนะหนึ่งไม่มีมายาสองไม่มีมานะละความโลภสามละความโลภสี่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราหาไม่มีความหวังหละความกโกรธคนที่ละความกโกรธแล้วก็จิตใจเยือกเย็นอย่างนี้เนี่ยนะ นี่แหละคุณสมบัติของพราหมณ์คุณสมบัติของสมณนคุณสมบัติของภิกษุขเขาละ่ะในอัตถคถาปิรินทวชตาสูตรว่าพระเถระย่อมร้องเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยบอกมาเถอะคนถอยปลีกไปเถอะคนถอ ย, ย น, นะเวลาจะเรียกพระก็คนถอยมานี่ น, นะกลับได้แล้วคนถอยอย่างงี้ยนะคล้ายๆมีแต่คํ า, าคพูดประเภทเนี้นะทีนี้พิกสุเหล่านั้นก็ พอพระเทเระเรียกอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่า พ, พระปิลินทวชานี้เป็นพระอรหันต์แล้วที่พูดอย่างนี้เพราะละวาสนาไม่ได้เหมือนว่าพระเทระเนี่ยเหมือนกับมุ่งร้า ย, ยานะมุ่งร้ายคนอื่นเหมือนกับเป็นคนที่คอยส่อเสียดเสียดสีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นคนที่พูดอวดตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ประสงค์จะให้ พระพุทธเจ้านะไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะได้เลิกให้พระปิรินทวัตชะทำตัวปทุสรายผู้อื่นเลิกโอ้อวดสัทีหนึ่งว่างั้นท่านพระพิสุททั้งหลายก็เลยไปกราบทูลให้เล่านะาแสดงเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยกาจัดสิ่งที่เป็นโทษออกไปส่วนอาจารย์บางท่านเกจิอาจารย์คืออาจารย์บางท่านกล่าวว่าพิสุททั้งหลายจำพระเถระไดว้ว่าเป็นผ้าหัน ก็คือกไ็ได้ข่าวอยู่แล้วละว่าท่านเป็นพระอรหันต์คิดว่าก็พระเถระนี้เรียกพิกูจนทั้งหลายอย่างนี้ด้วยคําหยาบอุตริมนุสธรรมในพระเถระนี้เห็นจะไม่มีจริงกระมังนะเอ๊ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์อะไรพูดหยาบอย่างนี้สงสัยไม่ใช่ละมั้งนะก็ไม่รู้การเรียกอย่างนั้นด้วยอํานาจวาสนาวาสนาตัวนี้ไม่ได้บุญไม่แปลว่าบุญนะแปลว่าความเคยชินความเคยชินที่ที่สั่งสมในส่วนที่ไม่ดี และไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะจึงสาคัญในการเพ่งโทษไม่ใช่ไม่น่าใช่ะนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่อเ อ, อะไร อ, อะไรเป็นเครื่องวัดเอาความรู้สึกของตัวเองและเอาเสียงที่ท่านพูดนั้นเป็นเครื่องวัดว่าคนนี้ไม่ใช่พระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะประกาศว่าพระเทระรูปนี้เนี่ยไม่มีความมุ่งร้ายด้วยโทสะ จึงรับสั่งภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกเธอมาแล้วก็ตรัสแก่เธอต่อหน้าว่าภิกษุนี้เรียกอย่างนั้นด้วยเหตุที่เคยชินมาในอดีต <c oughs> มาในการก่อนหาได้ประสงค์ในการกล่าวคําหยาบไม่หยาบไม่หยาบเข้าวัดกันที่โทสะใช่ไหมโทสะเอาอย่างแบบภาษาไทยเราไอหนูมานี่สิเขาเป็นลูกหนูจริงๆรหรือเรียกว่าหนูเขาเป็นหนูเป็นอะไรไหมเรียกว่าหนูมานี่สิ เขาไม่ไเป็นหนูเป็นพังพรเป็นอะไรสักหน่อยใช่ไหมแต่เราทำไมเราเรียกเขาว่าหนูเป็นต้นอันนี้มันเป็นคำที่อาจจะเคยชินนะไม่ได้ทำด้วยโทสะอะไรพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติว่าปุเพนิวาสังมณสิกริตวาความว่าพราษาสดาตรัถามพระเถระว่าวัชชได้ยินว่าเธอเรียบพิสู่ทั้งหลายด้วยวาท่าว่าคนถอยจริงหรือพระเถระกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่า เมื่อทรงรำพึงว่าวัชชะนี้ไม่ละวทะทว่าคนถอยวาสนาอันเศร้ามองวาสนาในส่วนบาปนะไม่ใช่ส่วนบุญแม้ในอัตภาพอันเป็นอดีตเธอก็เคยเกิดเป็นชาติพราหมณ์หรือหนอทรงมนุิการถึงขันธสันดานที่เธอเคยอยู่ในอดีตชาติอันเป็นที่อยู่แห่งขันในปางก่อนของเธอด้วยปุเพนิวาสานุสติยานและด้วยสัพพัญยุตยาน คือกระทําไว้ในใจของพระองค์โดยกระทําให้ประจักษ์เหมือนผลมะขามป้อมบนฝ่ามือเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาห้าร้อยชาตินี่เหมือนดูมะขามป้อมบนฝ่ามือนะก็พระพุทธเจ้านะผู้มีพระปัญญาหาที่สุดมีได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรนะพระพุทธเจ้าอย่างว่าหายใจเข้าออกก็ระลึกได้เป็นหมื่นกลับเนี่ยนะไม่ต้องพูดว่าห้าร้ยชาติในแว บ, บเดียวก็รูหมดละ บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเหตุในความที่เธอไม่ควรจะเพ่งโทษหมายคือว่าพระพุทธเจ้าคนที่ถูกแก่เนี่ยไม่ใช่พระปิรินทวัชฉะนะพระภิกษุเหล่านั้นอ่ะที่มาฟ้องแปลภาษาไทยอย่าไปยุ่งกับพระอรหันต์ท่านเลยเหมือนันนะนะอย่าไปเพ่งโทษท่านอย่าไปว่าร้ายท่านานะนะจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายวัตฉะหาได้มุ่งร้ายภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยไม้ไม่ได้พูดเพื่อจะให้เขาเสียหายเสื่อมเสีย พูดด้วยอำนาจโทสะอะไรไม่ใช่หรอกพระดํารัสนั้นมีใจความอธิบายดังนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายวัดฉะนี้หามุ่งร้ายมีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตถูกโทสะพยาบาทประทุษร้ายเรียกพิสูจทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยไม่ไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นหรอกที่เรียกว่าพูดว่าคนถอยก็ไม่ได้พูดเพื่อให้เสียหายไม่ได้พูดด้วยจิตคิดประทุษร้ายให้เขาหรือไม่ได้พูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยพยาบาทไม่เลย เธอถอนพยาบาทด้วยอนาคามีมักนั่นเองนะด้วยอนาคามีมักท่านตัดได้แล้วยิ่งตอนนี้เป็นพระาทหารด้วยยิ่งไม่มีเด็ดขาดเมื่อจะสรงแสดงเหตุที่สําเร็จมาแต่ชาติก่อนแห่งการเรียกเช่นนั้นของเธอแม้ในเมื่อไม่มีความมุ่งร้ายด้วยประการชนีนะแต่ว่าความเคยชินนะความเคยชินเพราะว่าตลอดระยะเวลาห้าชาติติดติดกันมาเป็นครามอย่างเดียว พันศาสนาฮินดูนี่ก็ถือว่าพรามนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะโสตสวัสโลวาโททีคารตังสมุทาจินโนความว่าวาทถคนถอยของวัชาพิกษุนั้นซึ่งเธอแม้เป็นพระขีนาสพก็ยังประพฤติอยู่ในบัดนี้เป็นวาทถที่เธอสั่งสมประพฤติมาตลอดกาลนานเธอเกิดเป็นพรามห้าร้อยชาติโดย ยกเบื้องสูงนับแต่ชาตินี้ไปถอยหลังติดกันมาห้าร้อชาติจริงอยู่พราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้กระด้างด้วยมา n a ที่สําเร็จมาแต่ชาติก็เย่อหยิ่งเพราะถือว่าชาติตระกูลตัวเองสูงเลยนะก็รู้ว่าทําอย่างนี้มานานแล้วด้วยเหตุเอถามว่าด้วยคํานั้นแสดงว่าเหตุคือเป็นวาสนาของการร้องเรียกของเธอชื่อว่าวาสนาคืออะไรวาสนานี่คืออะไรกันแน่ถามว่าวาสนาวาสนาบอกว่าอธิมุต บาลประหนึ่งสักว่าความสามารถอันกิเลสที่เธออบรมมาตลอดการหาเบื้องต้นไม่ได้ติดอยู่อันเป็นเหตุแห่งความประพฤติเหมือนความประพฤติของคนยังละกิเลสไม่ได้ในสันดานแม้ของท่านผู้เว้นจากกิเลสได้แล้วก็ด้วยว่าการละกิเลสเครื่องกลางกั้นยัยธรรมด้วยความสมบูรณ์แห่งอภิิหาร เหตุแห่งความประพฤติในนั้นน่ะไม่มีในสันดานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ละกิเลสได้แล้วแต่ยังมีในสันดานของพระสาวกและพระประเจคผู้ตถาเจ้าที่ยังละกิเลสอย่างนั้นไม่ได้เพราะพระตถาคตเท่านั้นทรงเห็นอนาวารณอย่างสรุปว่าวาสนาตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะละได้กับทุกท่านละได้เฉพาะพระพูทธาเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นพระประเจก็ละไม่ได้ พระอัครสาวกอย่างละไม่ได้อย่างพระพระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นลิงพอไปคนที่เคยเกิดเป็นลิงเห็นน้ําจะกระโดดข้ามเห็นน้ําก็กระโดดยงเห็นน้ําก็กระโดดยงอะไรงี้ยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งโยงขึนิมนต์ไปฉันที่บ้านนะก็ต้องผ่านท้องร่องสามแหง่งไอ้ครั้งแรกก็เห็นน้ําก็กระโดดไปเหครั้งที่สองก็กระโดดโยงก็มีเขาเตรียมไว้จะถวายผ้าท่านสามผืนเนี่ยนะพอเห็นท่านกระโดดข้ามไปทีก็ลดไปพื้นหนึ่งกระโดดไปทีท่านก็ลดไปพื้นหนึ่ง ตอนหลังท่านก็ลงเดินนะ่ยนะเพราะท่านรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้เขาเขาจะหมดศรัทธานะท่านก็เลยยอมก็เลยถามว่าทาไมท่านจึงไม่กระโดดดีกว่าท่านก็ตอบไปเพราะว่าไอความเคยชินเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพร ะ, ะบุคคลธรรมดาจะละได้ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ทําด้วยอกุศลจิตเนี่ยนะเออตรงนี้ที่บอกว่าพระธรรมคดเท่านั้นทรงเห็นอนนาวรณญาณเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ว่าน่าจะเป็น เป็นเป็นอาสยานุสยยายานมากกว่าเพราะว่าคำนี้านาวรายานมันไม่มีรกิตกั้นนะฮะไม่ทราบว่าทั่วๆไปนั้นอาสยานุสยยายานนั้นเอาไว้ใช้ว่าจะสอนคนอื่นได้อย่างไรนะจะส่งเคราะห์เขาได้อย่างไรเขามีพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วสอนเขาต่อไปได้อย่างไรแต่ขณะเดียวกันตรงนี้นี่หมายถึงว่าพระองค์บอกว่า สิ่งที่พระ อ, องค์รู้พฤติกรรมที่ผ่านมาของพระปิรินทวัตฉะเนี่ยท่านพร อ, องรู้โดยไม่มีอะไรมากลางกันเลยมายถึนึกปั๊บก็รู้ได้ทันทีเลยว่าพระปิรินทวัตฉะเป็นไปมาอย่างไรอนนาวารณานาญาณที่แปลว่ายานไม่มีเครื่องกลางกันแต่อายานุสยญาณโดยทั่วๆไปนั้นเน้นไปที่ว่าจะไปสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยจะต้องทํำยังไง ร, รู้รู้ว่าเขาเป็นเป็นใครสังสมมาอย่างไรและจะสอนเขาได้อย่างไร ตรงนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่คล้ายๆแบบมาช่วยแก้ต่างให้พระปิลินทวัชชะจึงไม่ไม่ต้องเรียกว่าอาสัานุสยญาณพระองค์ทรงทราบเนื้อความนั้นนะนะเอตมัถังวิทิตวาความว่าทรงทราบอัฏฐนี้กล่าวคือพระปิลินทวัชชะนี้ไม่มีการมุ่งร้ายทั้งๆ ท, ที่พูดว่าคนถอยก็ไม่ได้พูดด้วยจิตคิดประทุษร้ายพูดให้เขาเสียหายไม่ ก็เลยแปลงอุทานถึงการบรรลุอรหัตผลของพระเปรลินทวัตชะ น, นะว่าคุณธรรมของพระเปรลินทวัตชะยำหินวัสติณะามาโนบอกว่ามายามีลักษณะปกปิดโทษที่มีอยู่มานะมีลักษณะพองขึ้นอันเป็นไปโดยการยกย่องว่าเราเป็นผู้ประเสริฐย่อมไม่มีในพระอริยะบุคคลใดคือไม่เป็นไปไม่เกิดขึ้นเพราะท่านถอนได้แล้วด้วย มัคจิตอันนอรหัตตมัคนอะน่ะมายาเนี่ยนะคนที่มีมายาก็คือความจริงอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่หลอกมาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่จริงเคยดูลิเกไหมเพชรเต็มตัวไปหมดเลยถ้าเจ้าค่าอย่างเงี้ยนะเขามีคำประเภทนั้นอ่ะนะจริงไหมล่ะไอ้ไม่จริงไงแล้วเขาเรียกว่ามายาจริงสัที่ไหนจริงไปเป็นอะไรนะพรเอกลิเกไปทําอะไรอย่างเงี้ย ส่วนมาณนะก็พองลำพองเนะังั้นการที่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีมายาแบบนั้นไม่มีมา n ะแบบนั้นนะท่านเป็นผู้ที่เปิดเผยตนตามเป็นจริงบทว่าโยวีตโลโพอะมะโ ม, โมนิราโสความว่าก็บุคคลใดชื่อว่าปราศจากโลภะเพราะปราศจากโลภะอันมีลักษณะยึดอารมณ์โดยประการทั้งปวงอันเป็นไปโดยปริยาแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้น โลภ้ามป็นียมันยึดแตนะมันเกาะนะมันเกาะอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะถ้าถ้าชอบอะไรแล้วมันก็เกาะเกาะเกาะอยู่นั่นแหะ่นะเชื่อว่าการยึดถือว่าเป็นของเราอ่นะขอไปเชื่อว่าไม่ยึดถือว่าเป็นของเราคือไม่หวงแหนเพราะไม่มีการยึดถือในอารมมีรูปเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นของเราอ่นะไม่ได้ยึดว่ารูปเสียงนี้รูปของเรานี้เสียงของเราอ่นะเหมือนกับที่เขาเล่าอ่นะ บอกอันนี้ก็ของเราอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราของคุณไม่มีเลยสักอันหนึ่งก็ตอนแรกก็ของเราของเราของเราไปเยอะๆนะเสร็จแล้วว่าสามีเขาฟังเขาก็น้อยใจเพราะอันนู้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราใช่หมดบางคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่รู้อ่าชอบเอามาเรียกอันนี้ก็ของเราอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราอะของเธอไม่มีเลยประมาณบางทีก็เป็นลักษณะนี้ไอๆพูดว่าของเราของเราเนี่ยถ้าพูดบ่อยๆอีกคนหนึ่งฟังแล้ว ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะพวกพวกที่ยึดถือเนี่ยนะมันจึงเบียดเบียนตัวเองนะนะจึงถามว่าไอการพูดอย่างนี้อย่างนี้ให้คนอื่นเขาไม่พอใจนี่ถามว่าเบียดเบียนตัวเองไหม mm hmm. เอาเขาบอกอะไรนะวันหลังอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราวันหลังของความช่วยเหลือเขามาช่วยเราหน่อยว่าอกุของเธอเธอก็ทําไปกันแล้วกันนะก็ mm hmm. <laughs> ลเลยเบียดเบียนตัวเองในในตอนหลังนะสรุปว่าอากุสนี่มันเบียดเบียนตัวเองนะจริงๆริอะตรงนั้นอะตอนที่พูดเหมือนจะดูโก้ดีใช่ไหม ดูเหมือนเก่งเหลือเกินเนี่ยนะวันหลังตัวเองต้องช่วยขอความช่วยเหลือคนอื่นเาก็ทำไงเอาของเราไม่ใช่เลยก็ดูแลไปก็แล้วกันอย่างเงี้ยอ๋อพี่ไรคโดนม <laughs> <laughs> ต่อไปนะบทว่าเออชื่อว่าหมดความหวังเพราะไม่หวังพบเป็นต้นในอนาคตถ้ารหันนี้ไม่หวังนะไม่หวังพบอีกเลยคือไม่หวังไม่หวังอะไรพบแปล ว, ว่าการเกิดใช่ไหมไม่หวังกามาพบรูปประพบและ อรูณ ป, ประพบต่อไปปนุณนโกโทชื่อว่ากําจัดความโกรธได้แล้วเพราะถอนความอาฆาตได้แล้วเพราะละความโกรธซึ่งมีความขุนเคืองโดยประการทั้งปวงด้วยอนาคาเมมัมคขุนนี่ปนไปเลยเคยเห็นน้ําขุนไหมลักษณะใจที่ขุนก็ลักษณะนั้นถ้าเคืองล่ะถ้าขุนเนี่ยหมายให้ว่าประกาศถึงภายในไม่ดีแล้วใช่ไหมถ้าเคืองแปล ว, ว่าไม่ชอบสิ่งนั้นละ รังคุณเนี่ยแปลว่าไม่ดีในภายในนะเครืองก็แปลว่าไม่ชอบภายนอกเพราะตัวนั้นมันทําให้ระคายเครืองขึงขง้นมานะทั้งคุณทั้งเครืองก็เลยเป็นคุณเขืองอนะพวกเครืองบ่อยๆนี่ก็ผูกเวรด้ยถ้าคุณก็แปลว่าไม่สบายใจถ้าเครืองก็ผูกเวรบ่อยๆนะบทว่าอภินิพุตัดโตบุคคลใดมีจิตเย็นสนิทเยือกเย็นนะนะด้วยการดับ สนิทซึ่งกิเลสโดยประการทั้งปวงะนะเมื่อดับกิเลสได้หมดก็เย็นเนะเพราะอะไรเพราะถอนมายาอ่ะนะเลิกหลอกลวงสถทีหนึ่งนะหมดความลำพองถอนความโลภละความกโกรธเพราะละธรรมะอันเป็นฝ่ายแห่งสังกิเลส ท, ทั้งปวงนะทั้งสังกิเลสเนี่ยปกติกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นชื่อของทุจริตตันหาและทิฏฐิถอนได้หมดขาโดยเด็ดขาด โดยความที่สังกิเลตเหล่านั้นน่ะตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับมายาเป็นต้นมายาเนี่ยนะตัวมายาเนี่ยเป็นเหตุให้ทำทุจริตกรรม น, นะอย่างบางคนเนี่ยก็อย่างเขามาอ่านข่าวเรื่องหนึ่งนานแะล้วคำทุกวันเนี่ยเขาเขาไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็หลอกว่าเขานี่รวยมาก น, นะเสร็จแล้วเขาก็ไปสู่ข อ, อนนะบอกเออสินสอดแสนหนึ่งก็งั้นนะเขาก็รับปากรับคำนนะาะทั้งทั้งที่ตอนนั้นไม่มีสักบาทก็เลยไปปล้นธนาคาร ไปล้นธนาคารกัเลยถูกจับเลยกันนะเพราะไอ้มายาตัวนั้นทําให้ทําทุจริตกรรมเนี่ยนะก็ลักษณะแบบนี้ก็มีไม่น้อยอ่ะนะไอ้มาหลอกลวงใช่ไหมหลอกปกปิดตัวเองว่าปกปิดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมก็ทํำยังไงพยายามเปิดเผยอะไรนะพยายามแสดงตัวที่ไม่จริงออกมายิ่งแสดงมากก็ยิ่งยิ่งเดือดร้อ น, นการแสดงตัวตามไม่เป็นความจริงนั่นแหละเป็นความทุจริตนะทุจริตทั้งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะ ตันหาและก็เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นมานะเนี่ยนะตัวมานะเองก็เป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมนะมานะมากๆนี่ก็ทําความชั่วทางกายวาจาและใจเพราะในความถือตัวมากๆก็ทําให้กลายเป็นว่า ด, ด่าคนอื่นโกรธคนอื่นไม่พอใจคนอื่นทําให้ทําความชั่วโดยประการต่างๆหรือคนที่โลภมากๆนี่ก็ทําทุจริตกรรมได้นะเพราะความโลภ ก, ก็สามารถที่จะเป็นเหตุให้ไหลไปหากายทุจริตเป็นต้นความโกรธละ่ะ ความโกรธนี่ไม่จําต้องพูดถึงไงไหมพัาละสังกิเลสสังกิเลสคือที่อยู่ฐานนะเดียวกันหมายความว่ามายาเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวกระจายนะมายามานะโลภะโกธะเนี่ยเป็นตัวกระจายทะลักออกมาซึ่งทุจริตกรรมทั้งหลายพันพระอริยะเหล่านั้นท่านละได้หมดแล้ ว, ล ว, นะลวก็นะนี่กำลังสนใจคําว่าสังกิเลส ธ, ธรรมโตนี่นะ เพราะฉะนั้นสังกิเลสะกับกิเลสเนี่ยต่างกันยังไงครับกิเลสนี่โดยสัพแปลว่าเศร้าหมองอ่ะนะความเศร้าหมองส่วนสังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ยตัวธรรมะตัวนั้นคืออุปาทานขันห้าสังกิเลสะกะสังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ยแปลว่าอุปาทานขันห้านเนี่ยเป็นเหตุแห่งสังกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งสังกิเลเช่นรูปขันเนี่ยนะ รูปประคันเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุจริตรูปประคันเป็นเหตุแห่งตัณหารูปประคันเนี่ยเป็นเหตุแห่งมานะก็รูปประคันจึงเป็นสังกิเลสิกธรรมโตบางทีธรรมโตตัวนั้นแปลว่าเหตุนะรูปประคันเป็นต้นเหตุให้เกิดสังกิเลสเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีรูปประคันทุจริตจะเกิดไหมถ้าไม่มีรูปประคันตัณหาจะเกิดไหมถ้าไม่มีรูปประคันมิจฉาทิฏฐิจะเกิดไหมวันรูปประคันเนี่ยจึงเป็นต้นเหตุแห่งสังกิเลส คือความเศร้ามองอย่างยิ่งเลยนะด้วยทุจริตด้วยตัณหาและด้วยทิฐิเนี่ยนะสังกิเลสเป็นชื่อของทุจริตตัณหาและมิจฉาทิฐิส่วนกิเลสนี่เป็นชื่อของกิเลสสิบคือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะ่ะที่เป็นความเศร้ามองนะ่ะนะเป็นตัวที่ทําให้จิตใจนี่อับเหี่ยวเฉาอะ่ะสิ่งใดที่ทําให้จิตใจอับเฉาเศร้ามองเหี่ยวเฉาพวกนี้เรียกว่ากิเลสแต่ถ้าสังกิเลสนั้นเป็นชื่อของทุจริต เป็นชื่อของตัญหาและมิจฉาทิฐินั่นั้นสังกิเลสิกะธรรมโตแปลภาษาไทยว่าขันหานี่แหละคือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งหลายคือทุจริตเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดนี่นะบทว่าโสบรมโนโสสมโนสภิคุความว่า บุคคลนั้นคนที่มีคุณสมบัติคือถอนมามายามานะโลภะโกธะบาปอากุศลได้หมดนี่แหละบุคคลผู้เห็นปานนี้แหละเป็นพระขีณาศพเป็นระารหันนะสิ้นอาสวะแล้วชื่อว่าเป็นพรามพรามก็เพราะลอยบาปได้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นนะ่ะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเป็นผู้สงบบาปและเป็นผู้ประพฤติสมำเสมอนะสงบบาปได้ทุกชนิดมีความสมำเสมอทางกายวาจาและ ผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะทําลายกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตใจได้โดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายวัชชะผู้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือผู้เป็นพรามสำนนภิกษุนี่แหละพึงเป็นผู้มุ่งร้ายทํากายกรรมเป็นต้นไรๆให้เป็นไปอย่างไรเธอก็ย่อมร้องเรียกด้วยวาทะว่าขนถอยเพราะอย่างละวาสนาไม่ได้อย่างเดียวแลหมายค่ะว่า ไอ้ความมุ่งร้ายความคิดประทุษร้ายไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะความเคยชินเนี่ยนะเคยชินนะเหมือนกับว่าคําพูดว่าคนถอยก็เหมือนกับภาษาที่เราใช้บ่อยๆที่สุดก็เลยพูดยังไงก็ไปตกลงในภาษานั้นๆ น, น, น, น, นะที่ที่เคยชินนะความเคยชินแห่งถ้อยคำก็ละอธิมุตอธิมุตไหมครับว่าการสั่งสมเมื่อกี้บอกว่าอธิมุตใช่ไหม อธิมุตปานประหนึ่งว่าความสามารถอันกิเลสที่สามารถอบรมมาตลอดกาลนานเบื้องต้นตามหาเบื้องต้นไม่ได้บางทีอธิมุตเนี่ยแปลว่าคนอธิมุตเลวก็คบหาสมาคมกับพวกอธิมุตเลวพวกอธิมุตปานกลางหรืออธิมุตประนีก็คบกับพวกอธิมุตประนีดสรุปว่าคนเลวมันจะคบคนเลวด้วยกันพวกอธิมุตเนี่ยเหมือนกันจิตแบบนั้นเน่ยเคยสังสมมาแบบนั้นพอได้ปัจจัยปั๊บมันก็จะทําแบบนั้นตามความเคยชินเนี่ยนะตามความเคยชิน เมื่อไหรเนาะเราจะเจริญสติประทานจนชินก็ช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาเนะเจนพร